ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมภูมิยาณในวันนี้คงเป็นการตรอบคำถามของพระนวากาศอีกเช่นเคยท่านถามว่าในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศไทยขนาดนี้จะใช้ธรรมะข้อใดในการแก้ไขโดยเฉพาะยิ่ยงเพื่อให้นักการเมืองนำไปปฏิบัติ ในกการเมืองที่จริงก็พูดกับเขายากนะฮะคือไม่มีโอกาสที่จะต่อกับเขาต่อปัญหาออกทางวิทยุเขาก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่มีโอกาสเทศให้เขาฟังด้วยก็ควรจะพูดถึงเฉพาะคนเรานะฮะว่าปัญหาเศรษฐกิจที่จริงมันเป็นปนัญหาถาวรคือไม่ว่ายุคใดสมัยใดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นปนัญหาตลอด เพราะว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็หายไปเลยก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนหนึ่งนอกนั้นก็เป็นกาด ร, ราคาการงวดมันก็หมดไปว่างั้นคนเราที่ครองชีวิตเป็นฆราวาสหรือเป็นพระก็ตามมันก็มีปัญหาเรื่องปากเรื่องทองมันเป็นปนัญหาเศรษฐกิจ พะปัจจัยสี่ส่วนใหญ่นั้นเราจะเห็นว่าปัจจัยี่ในเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะมากกว่าเพื่อนเพราะต้องรับประทานวันๆหนึ่งเยอะส่วนเครื่องนุ่งห่มนั้นก็ใช้ได้านานๆที่อยู่อาศัยก็ใช้ได้านานๆนนยารักษาโรคก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าอาหารนั้นแต่ละวันแต่ละวันนี่จะมาเพราะนนการ ครองชีวิตในท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจมันก็ควรมีความหมั่นขยันอย่างฉลาดตำหลักของสัมปรรายทิตตธรรมอกาถาประโยชน์ที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยคือให้บุคคลมีความหมั่นขยันคือสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันแล้วเมื่อ ประกอบธุรกิจงานงานได้เงินได้ทองมาแล้วก็รู้จักบริหารจัดการโดยสํานึกถึงรายได้เนี่ยต้องเกิดรายจ่ายจะเกิดมากหรือเกิด น, น้อยก็ตามรายได้ต้องเกินรายจ่ายผู้เจ้าทรงแสดงว่าควรจะแบ่งทรัพย์เอาเป็นสี่ส่วนเช่นสมมุติว่ารายได้เราสี่พันหรือสี่หมื่นเะนี่ยนะเราก็ใช้สองหมืนเนี่ยใช้ประกอบธุรกิจต่อไป ใช่หนึ่งมื่นเลียงดูภายในครอบครัวใช่หนึ่งหมื่นเก็บออมเอาไว้ถึงเวลานียกานประหยัดและออมเนี่ยมันน้อยไปคือส่วนมากแล้วก็จะใช้จ่ายโดยไม่ค่อยคำนึงถึงรายเหลือต่ไม่ปัญหามันก็สะสมมักรมม อ, อยู่ตลอดไปาการประหยัดอดออมถึงมีความจำเป็นเพราะว่าไปส่งเสริมสนับสนุนความมันขยัน คือตะมันขยันได้มากแล้วก็มีการประหยัดอดออบมันก็เพิ่มขึ้นทั้งสองในช่วงของการแสวงหาในช่วงประหยัดลดอดอบคือไม่ต้องจ่ายมากเกินไปเราได้มาก็มากแล้วไม่ก็กลายเป็นรายเหลือขึ้นมาแล้วต้องมีความความอดกลั้นความอดทนนะฮะในการครองชีวิตเพราะว่าเรื่องชีวิตนั้นถ้าไม่อดทนแล้วก็จะอยู่ยากทั้งนั้นแม้เศรษ ฐ, ฐกิจก็ เป็นดีในอารมณ์สังคมเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาเมืองกันส่วนนักการเมือง น, นั้นที่จริงถ้าเขามีความคือปัญหาความรู้เขาไม่มีปัญหาหรอกพะเป็นคนที่มีการคัดสรรกันหลายชั้นปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตปัญหาการไม่คอร์รัปชันไม่คกงกินเราจะเห็นว่าอย่างรัฐบาลนี้เขาก็พยายามเน้น แล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายให้พิสูจน์พวกของเขาว่าเขาไม่คอรับชั้นไม่กองกินก็มีความซื่อสัต์สุจริตซึ่งเราก็ต้องฟังนะฮะว่าจริงจริงก็ไม่ค่อยมีข่าวเรื่องคอรับชั้นแต่ว่ารัฐบาลก็มีไม่กี่คนนะฮะสามสิบกว่าคนนั้นเองแต่ปัญหาวัาหน่ ว, นวยงานที่รดหลั่นกันลงมาเนี่ยมันมีการคอรับชั้นมีกองกินมีการเอารัฐออกเปรียบแผ่นดิน ทิ้เกิดขึ้นตัวเองหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องระมัดระวังแต่อย่างที่บอกนะฮะคือคนเหล่านี้ถ้าสํานึกเขาก็สํานึกของเขาอ่ะแต่จใจ้เราไปพูดจาอะไรกับเขาคงพูดไม่ได้เพราะว่าไม่มีโอกาสที่ติดต่อกับเขาคือมันผิดกับสถาบันประมากษัตริย์สถาบันประมากษัตริย์สมัยราชาธิปไตยเนี่ยท่านฟังเทศเยอะมาก แล้วก็เรื่องมันเรื่องมันก็ผ่านการเทศของพระไปบางครั้งเทศอบรมข้าราชการหรือแม้ในรนั้วในวังประมากษารทั้งมาให้ข้อมูลถึงสภาพของปัญหาสาเหตุของปัญหาพระก็ต้องหาหลักธรรมะไปอธิบายไปชี้แจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะเราอา่านพวกมงคลพิเศษกาถาอะไรแต่อะไรต่างๆที่ ปฏิราเทศโปรดประบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็แสดงถึงวิธีการในการอธิบายในการบริหารราชการบ้านเมืองโดยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็มีความโปร่งใสที่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้แล้วคนสมัยโบราณเนี่ยเขากลัวบาปกลัวกรรมด้วยขนาใหญ่เวลาเนี้ยคนไม่ค่อยกลัวบาปกลัวกรรมู้ใ เพราะว่าสุจริตกระทุจจริตเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกรรมแล้วก็มวยผลในขณะนั้นนั้นขณะต่อไปตลอดทั้งในภพชาติต่อต่อไปแต่บุคคลยึดมั่นในสุจริตทำได้การทำงานในตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามมันก็จะออกมาในรูปของความซื่อสัตย์สุจริต เ, เป็นเรื่องที่ น่าชื่นชมมโนมธนายินดีของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าสื่อทงางศาสนาในติดต่อก็เขายากจริงๆอย่านึกไม่ออกเลยทําไปนะว่าจะติดต่อกาได้ยังไงเพราะว่าเวลาพบกับคนเหล่านี้เขาก็ใหญ่โตมาอย่างดีเขาก็เข้าร่วมพิธีในแค่ไหวพระสวดมนต์สมาทานศีลเท่า น, นั้นเองโอกาสที่เขาจะฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วมันเจาะจงประเด็นเจาะจงเรื่องนี่มันคน่อนข้างยากแม้จะมีโอกาสแสดงธรรมก็เหมือนกันเพราะส่วนหนึ่งนี่เขาจะบอกเรื่องเราแสดงนอกเรื่องก็ไม่ได้คือขึ้นอยู่กับการอาราธนาให้พูดเรื่องอะไรให้เทศเรื่องอะไรเราก็ต้องเทศไปตามนั้นมันอยู่ที่ระดับนึกของขันเหล่านั้นไปญาติตนเองจะต้องคอยตรวจสอบ จะต้องคอยไปเป็นกระจกสองใครก็รู้ก็เห็นแนวโพนทั้งหลายที่มีการสำรวจตรวจสอบกันอยู่สม่าเสมอนั่นเมื่อฟังได้ระดับหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองอ็่อยู่กระร่องกระรยไม่ออกนอกรูนอกทางกันเกินไป ก็ต่อไปถามว่าศิษยศาสตร์มีจริงหรือไม่ก็ถามว่ามีก็มีจริงนแต่ถามว่าจริงหรือไม่เนี่ยมันอีกประเด็นหนึ่งถ้าถามว่ามีจริงหรือไม่บอกว่ามีนะฮะความเชื่อในแนวศิษยศาสตร์ศิษยะก็ไปว่าหลับนะหมายความมันยังมีอาการของโมหะคือความกลัวกับความไม่รู้เนี่ยปนอยู่มากวันต่อไปที่เราขาจัดความไม่รู้ออกไม่ได้ออกออกได้ไม่ไม่มากพอ แล้วท่านก็ยังมีความกลัวอยู่เนี่ยศยศาสตร์ก็คงจําเป็นสำหรับคนเหล่านั้นแต่ว่าวันใดที่ได้เ พ, พิ่มภูมิความรู้ความเข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลเชื่อมโยงระหว่างผลกับเหตุได้ความกลัวก็ลดลงการดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาหสิ่งซึ่งตนเองไม่รู้มาเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความทุกข์มันก็จะลดลง แต่ว่าคนเราก็เกิดใหม่ทุกวันนั่นนะวันปัญหาเหล่านี้มันแก้ไม่ได้เราเพรามีคนเกิดมารับรู้ในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเพราะว่าคนมันเริ่มมาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงกลัวที่กลัวก็เพราะไม่รู้ผลตระไยสองอย่างนี้ยังอยู่ร่วมกันเนี่ยตราบใดเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องศยศาสตร์ในแต่ยังจะทำยังไงว่า มาได้เดินมาในผุดปนใสแล้วพุทธมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดใสมันก็หายไปยังเหลือเป็นพุทธเนี่ยแนวสังคมไทยเราที่จริงก็พยายามทำแนวนี้แต่พอเดินไปสู่การศึกษากับการปฏิบัติมันเดินไม่ได้เพราะว่าคนไปแก้ที่ตัวความกลัวยังไม่ได้แก้ที่ตัวความรู้ยังไม่ได้ เปไ็นลักษณะผูกโยงนะเวทมนต์คาถาอะไรก็าตามคือถ้าเราดูให้ดีแล้วมันเป็นเวทนาตนาอุปาทานแล้วก็คือหมายความว่าตนในรับความสุขความสบายจากเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็อยากอยากได้เรื่องเหล่านั้นพออยากแล้วเนี่ยก็จะไปยึดเช่นสมมติว่า ก็ทำพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในแบบจายศาสตร์แล้ววันทีเราเกิดหายขึ้นมาเราผูกโยงมาที่เพราะเราหายเพราะพิธีกรรมนี้ถ้าไม่มีพิธีกรรมนี้เราจะไม่หายพอผูกโยงกันในลักษณะอย่างนี้ก็มันก็ตัดไม่ขาดพอตัดไม่ขาดมันก็ติดกันอยู่อย่างนั้นนะไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ ประเด็นสาคัญที่เราต้องมองเนี่ยว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่ประยู่อยู่ตัวคนมันเกิดมาใหม่เรื่อยแล้วก็เริ่มต้นจากความไม่รู้ความกลัวอยู่ทั้งนั้นงั้นในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงถือว่าจเจริญแล้วประเทศอังกฤษเนี่ถือว่าจเจริญแล้วเนี่ยมันยังมีพวกคุณใสต่างต่างอยู่แล้วก็ไปห า, หาหารกินกันอะไรอะไรกันได้มากปมายไกล่เกลี เพราะทำยังไงเราจะเพิ่มพูนความรู้รพิความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเหตุมีผลในการครองชีวตเพราะในวยศาสตร์ที่จริงถ้าเราคิดโดยเหตุโดยผลแดยมีการเทียบเคียงอะไรเนี่ยความเชื่อในแนวนี้ก็จะลดลงไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเยอกดีํำดีขณะ ด, ดีครูดดีอยู่ที่การกระทำดี เราทำดีตอนเช้าตอนเช้าองเราก็ดีทำดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงอ็เราตัดีทำดีตอนบ่ายตอนบ่ายก็เราตัดีอันนี้มันมีความชัดเจนเนี่ยกฎของกรรมไหนจริงมันมีความชัดเจนแต่ว่าทำยังไงจะให้เกิดรู้ล่ะก็กลายเป็นปัญหาภูเขาอีกแหละคือติดต่อกับเขาได้ยังไงจึงใจเขารู้ รรมว่าระหว่างพุทธศาสตร์กับศยศาสตร์จะแยกความต่างกันได้อย่างไรคือที่จริงเนี่ยพุทธศาสตร์เนี่ยมันจะให้ความรู้ให้ความบริสุทธิ์ให้ความรู้สึกดีต่อคนอื่นคือมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาแต่ว่าศยศาสตร์นั้นจะ น้ำลงเยอะเราก็สู่ควา ม, มงงง่ายไปเรื่อยแล้วก็ไปตั้หาอุปาทานคืออยากแล้วก็ยึดอยากแล้วก็ยึดอยากแล้วก็ยึดแต่พุทธศาสตร์เนี่ยมันลดอยากแล้วก็ลดทิศเพราะว่าเริ่มต้ในตัวความรู้แต่ว่าไสยศาสตร์มันเริ่มต้นที่ไม่รู้ก็ทําให้อยากพออยากแล้วมันสมมุติว่าได้ตามที่ตนต้องการเนี่ยมันก็ไปยึด เต่มีการทรงเจ้าเข้าผีมีการอะไรล ต, ต่างๆนะครับแต่วมื่เกิดเป็นไปตามที่เขาคิดหวังเอาไว้เขาก็ยึดเพราะมีปัญหาเขาก็ต้องทบอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านี้มาในฐานะที่เราเป็นพุทธาสารสนิกชนเนี่ยเราก็ควรจะยึดทธศาสาร แต่วาควรจะเมตตาสงสารคนที่ยังเป็นไสยศาสตร์คือไม่ใช่ไปรู้ถูกดูหมิ่อะไรเขาแต่ความเป็นเ็นใสเนี่ยมันปนอยู่เรื่อยแหละเจ็ดบางทีเราไหว้พระสวดมนตเนี่ยเราก็มีการบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องการประสิทธิ์ประสานจากพระพุทธปฏิมาจากพระพุทธรูปจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันก็อดที่จะออกมาในแนวนั้นไม่ได้ท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนร่ะพอถูกความกลัวเข้าครอบงำแล้วมันดิ้นรนควรขวายเพื่อจะหาที่พึ่งอาจจะถึงภูเขาต้นไม้จอมปลวกลอมฟางอะไรก็ไปเรื่อยแต่ไปถือว่าสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งคือศาสนาไม่ได้ถึงปฏิเสธร0อยเปอร์เซ็นปฏิเสธว่าไม่ใช่ศาสนาอันกเกษไม่ใช่ศาสนาอันรุดม พูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นชนะไม่สามารถจะหลุ ด, ลดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้คือไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดแต่ปฏิเสธในกรณีที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทวนที่ลดหลั่นลงามาเขาก็ไม่ปฏิเสธเพราะมันก่อให้เกิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจอย่างพวกเครื่องรางของขลังแม้แต่พระเครื่องเนี่ยมันก็มีความเป็นศยลปศาสตร์บนอยู่ แต่มีความเป็นพุทธศาสตร์อยู่ด้วยแล้วก็ปนกันบางทีในบางระดับมันก็แยกไม่ออกเพราะว่าเราพบพาพระเครื่องรางของขลังนี่มองในแนวอิทธิปาฏิหาริย์มองแนวการดลบันดาลเมตตามหานิยมคงกระพัญจะตีแคล้วคลาดจากไปอันตรายเช่งการปรารถนาอย่างนั้นมันก็มีความเป็นไสยศาสตร์อยู่ แต่ถามว่าไปเลิกได้เลยไหมคนเลิกก็เลิกกันไปคนเกิดหมายก็ติดกันไปมันก็อยู่ที่ทวุฒิภาวะของเขานะก็ถึงจุดหนึ่งให้เลิกได้ก็บุญแล้วก็ต่อไปถามว่าคนที่ปฏิบัติธรรมจะเห็นวิญญาณของสัตว์ต่างหลายได้หรือไม่หรือว่ากันทาความจริงถ้าเราเข้าใจกรอบของกำวมาวิญญาณนะ่ะมันก็เห็นกันอยู่ทุกวันนะั่นนะ ทุกคนก็เห็นวิญญาณอยู่ทุกวันนะวิญญาณจริงๆก็คือวิถีวิญญาณหรือวิญญาณขันเนี่ยจนตายรูปเกิดความรู้ขึ้นเรียกจากขูกวิญญาณความรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายวิญญาณเป็ววารู้ไป็ารู้แจ้งเพราะจันเราก็รู้แจ้งอยู่ตลอดทางวิสาสัมผัสก็แสดงว่าเรามีวิญญาณอยู่ตลอด แต่วิญญาณในความหมายตรงนี้มันไปหมายเอาเขาเรียกอาทิตย์สมานกายคือสิ่งที่มีกายไม่ปรากฏเช่นพวกผีปีศาจพวกอสุรกายพวกเทวดาต่างๆนคนที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็สามารถเห็นได้เพียหนึ่งท่านแสดงตัวเองให้เห็นอันนี้ที่จริงปฏิบททัติธรรมหรือใบเดียวธรรมก็เห็นได้นะ แต่ถ้าเป็นผลตรงจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องได้ที่ประจักษ์สุสิยก่อนคือได้ปัญญาอย่างน้อยที่เป็นโลกิยาก็มีตาทิพส์สามารถจะเห็นรูปที่ละเอียดตลอดถึงรูปทิพได้นะฮพวกเหล่านั้นก็มลีลักษณะเป็นรูปทิพทีเห็นได้แต่ว่าอุสาสดาไม่เรียกวิญญาณ เรเรียกตามที่ท่านเป็นน่ะเป็นเทวดาเป็นอมนุษย์เป็นอสุอรกายเป็นเปรตก็แล้วแต่มันเป็นอะไรก็เรียกไปตามนั้นเอ่อถ้าวิญญาณหมายถึงอย่างนั้นเราต้องอาศัยได้ที่ประจักษ์สุขือตาทิพย์แล้วก็จะเห็นได้พอเห็นแล้วมันก็ปกติธรรมดาเนี่ยเหมือนเราก็เห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยปกติธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไร พลายพระเจ้าท่านถือว่าถือเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้ตื่นเต้นกับอะไรสิ่งที่เห็นเหล่านั้นอะไรไงของความเป็นจริงมันก็คือปกติธรรมดาเท่านั้นท้ามาอยากทราบว่าเจ้าชาติตถาสัสรูเป็นพระพุทธเจา้าเป็นองค์ที่เท่าไร่องค์ที่เท่าไหร่เรนี่ยนับยากนะเพราะไม่รู้จะนับที่ไหน ตนับตามแนวของสัมพุธทธะมันก็เยอะมากเยอะจนไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้ามากกว่าเม็ดทรายในคงคาณ์นะฉีจะอีกมากกว่ามากกว่าแม่น้ําในแม่น้ํำคงคาดีอีกอันนี้มันก็เกินไปแต่ว่าในคัมภีร์ของเทราวาเนีย พูดถึงพระพุทธเจ้าว่ายี่สิบปดพระองค์นับจากพระตัณหาอังกรมาเนี่ยฮะก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าเราก็อยู่ที่อันดับที่ยี่สิบแปดแต่ถ้านับจาพระ พ, พุทธทานดอนนี้ก็อยู่ในองค์ที่สนีะ่องค์ที่ห้าก็คือไปสี่เรีมิตรใส่ก็แล้วแต่จะนับตรงไหน่ะฮะเดี๋ยวนับเาพระ พ, พุทธทานดอนนี้ก็พอมั้ง เพราะว่าไปนับไกลไปมากเกินไปมันก็ไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีหลักฐานในการพิสูจน์ทดสอบคนก่อนนีพระพราท่านไปอินเดียมาท่าบอกว่าคือมีสถานที่ที่พระเจ้าโอโศกได้สร้างเสาศิลาจารึกเอาไว้ว่าเป็นที่ประสูจ์ของพระพุทธเจ้าสมปนามา ก, กุสันโทกานาคมนะ นี่พุทธันดร น, นี่นะกับกุสันโถกุณาคมกัสปะโคดมเนี่ยก็เป็นเรื่องความเชื่อวาลัมปราแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นนะองค์ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรอกก็ไม่จริงไม่รู้จะนับจากตรงไหนเพราะว่ายิ่งไปศึกษารายละเอียดพระพุทธเจ้าก็ยิ่งมากบางทีมากจนอย่างช้ำพุเทเนี่ยมากจนไม่น่าเชื่อ มันเป็นเหมือนกับประเทศหนึ่งประเทศนะคนเป็นเป็นหลายหลายล้านนะเป็นสิบสิบล้านอย่างเงี้ยมันเอาพระพุทธเจ้ามาจากไหนทั้งสิบสิบล้านอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้สกุลกูเป็นเรื่องใหญ่เลยคนที่นับถือศาสนาอื่นเมื่อตายไปแล้วจะได้รับผลกรรมเหมือนกับความเชื่อในพุทธศาสนาหรือไม่ ศาสนาที่จริงไม่ใช่ความเชื่อนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องความจริงพระเจ้าทรงศัตรู้ทรงรู้ทรงเห็นความจริงเหล่านั้นด้วยประญาณของพระองค์แล้วนํามาชี้แจงแสดงแก่เราเรายัางพิสูจน์ไม่ได้เราก็ใช้ความเชื่อแต่ว่าโดยหลักจริงๆแล้วมันจะหลักความเชื่อมันเป็นหลักสัจ ธ, ธรรมคือทรงรู้เหตุมายัางไงก็ทรงแสดงไปอย่างนั้น ที่เขายกย่องสังเสริญ ธ, ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าเหมือนการหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่นคนลงทางสองอาชีพในทิศมืดเพื่อหวังว่าคนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นคนจะนับถือศาสนาอะไรไม่สำคัญนะทำงานก็ทำดีทำชั่วหรือเปล่าโดยเฉพาะความดีความชั่วที่มันเป็นสากล นาเช่นความชั่วสากลก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติปิดในกรรมการพูดเท็จนะฮะเป็นความชั่วสากลชื่งเรียกว่ากรรมกิเลสคือการกระทําที่เกิดขึ้นจา ก, กจิตใจที่ขุนหมว่เศรมองเนี่ยอย่างนี้ถ้าหากว่าทรมันก็คือกันเนยฮะงดเว้นก็ได้บุญด้วยกันถ้าไปละเมิดก็ได้บาปด้วยกันเจตนาความพยายามวัตถุ ถ้าอยู่ระดับเดียวกันก็จะตกนรกด้วยกันขึ้นสวรรค์ด้วยกันมันไม่ใช่เป็นนรกสวรรค์ของาศานนสาศานานั้นศาสนานี้นรกสวรรค์มันเป็นผลของกรรมที่บุคคลตัว น, นั้นกระทาไว้าศาสนาอื่นก็จะเรียกอะไรเป็นเรื่องของเขาแต่เราเรียกว่ากรรมคือการกระทำํำต้องฟังทั้งหลายได้ลงมาพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นกรณีที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรในธรรม ยมีแต่ท่านผู้ฟังกันหลายโดยทั่วกันสวัสดี